อย่าทำให้ใครรู้สึกอับอายเพราะคนอายอาจากลายเป็นคนเลวขึ้นมาได้อย่างนึกไม่ถึงถ้าต้องเลือกระหว่างการเป็นตัวตลกกับการเป็นคนเลวปากอาจบอกว่าเขาเลือกเป็นตัวตลกดีกว่าแต่ข้อเท็จจริงก็คือหลายคนจะเลือกเป็นคนเลวดีกว่ายอมเป็นตัวตลกนักร้องระดับโลก อย่างจัสตินบีเบอร์เคยสารภาพว่าที่ชอบทำตัวหำหมออกซือก็เพราะไม่อยากเป็นตัวตลกหรือเป็นไอออนตามใบหน้าดาวตลกชื่อก้องไทยเคยบอกว่าเขาทำตลกหาไรายได้แต่ถ้าอยู่นอกเวทีใครทำเหมือนเขาเป็นตัวตลกเขาก็มีสิทธิโชคหน้าได้เหมือนกันความรักหน้าอยากรักษาหน้าคือความรู้สึกอันเป็นตัวตั้งของคนเรา หลายคนยอมฆ่าตัวตายดีกว่าทนอับอายขายหน้าหลายคนฆ่ากันตายเพียงเพราะทนเสียงหัวรอยเยาะของอีกฝ่ายไม่ไหวหลายคนเข้าสู่เส้นทางวิชชาชีพก็ปพระยากลบคำสุประมาทว่าไร้น้ำยาหาเงินไม่มีใครชอบความรู้สึกอับอายแต่มนุษย์ก็มีอารมณ์ดิบอยากพูดอยากประจาน อยากทําให้คนบางคนได้อายได้ขายหน้าโดยไม่นึกว่าคนอายอาจกลายเป็นคนเลวที่ย้อนกลับมาทําอะไรเลวๆใส่และยิ่งไม่เชื่อไม่ศรัทธาผลของกรรมว่าวันหนึ่งตัวเองจะต้องถูกกลั่นแกล้งให้อับอายบ้างเมื่อไหรนึกสนุกอยากล้อเลียนใครให้แน่ใจเสีย ก, ก่อนว่าเขาจะนึกสนุกตาม แต่เมื่อใดมันไส้หรือเจ็บแ้นไกรยังปากยังใจให้ดีอย่าทำให้เขาอายเพราะน้ำเสียงหรือพฤติกรรมของคุณยามนั้นอาจน่าเกลียดพอจะกระตุ้นคนธรรมดาให้เปลี่ยนเป็นคนเลวขึ้นมาได้อย่างนึกไม่ถึงและที่สำคัญคุณมีแนวโน้มจะก่อกรรมหนักเหมือนกดลุมดักตัวเองไม่ช้าก็เร็วจะต้องตกไปอยู่ในสภาพทนยากไม่ต่างจากที่เคยทาไว้กับคนอื่น สาเหตุผู้อ่านการลงโทษด้วยการทําให้เจ็บและการทําให้อายนั้นส่งผลเสียมากมายนะครับโดยเฉพาะกับเด็กและวัยรุ่นเขาถึงมีงานวิจัยระบุมาชัดนะครับว่าไม่ควรทําโทษเด็กด้วยการทําให้เจ็บตัวหรือทําให้อายซึ่งเป็นสิ่งที่โรงเรียนไทยอีกมากยังทํากันอยู่บางครั้งไม่ตีแต่ก็ด่าหรือประจานให้อายหลายครั้งก็เป็นการด่าด้วยอารมณ์กระแทกแดกดันไม่ใช่ด่าด้วยความรักความเมตตา หวังดีกับเขาจริงๆการทำโทษด้วยการประจานหน้าห้องหน้าเสา่งก็เป็นสิ่งทำร้ายจิตใจเขาได้มากบางครั้งเด็กอาจจะไม่แสดงออกแต่ก็ฝังใจส่งผลเสียมากมายการทำให้เจ็บก่ส่งให้โตขึ้นมาเสพติดความรุนแรงเมื่อเห็นใครทำผิดก็อยากทำร้ายร่างกายเขาคนเราโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นนั้นต้องการอยู่เหนือผู้อื่นต้องการโดดเด่น ต้องการให้ดูดีทั้งนั้นการทําให้เจ็บใจทําให้อายการที่ต้องโดนบังคับตัดทรงผมที่ไม่ชอบหรือเป็นทรงที่ทําให้หน้าตาดูน่าเกลียดจะทําลายความรู้สึกมั่นใจความภูมิใจในตนซึ่งในที่สุดก็อาจประตูกออกเป็นการเอาคืนสังคมและทําเรื่องที่ผิดไดหลายด้านโตขึ้นมาต้องพยายามหาทางทําอะไรก็ได้ให้ตนเองเดินขึ้นมาจากคนอื่นทําเรื่องดีไม่ได้ก็ทําเรื่องร้าย ทำอะไรไม่ได้ก็ข่มคนอื่นรับหลังข่มคนอื่นไม่ได้ก็ข่มคนในครอบครัวแม้แต่การพยายามอวดรวยให้ดูนะครับว่าเจตนาซื้อมาใช้เพื่อยกระดับให้คนอื่นมองตัวเองว่ารวยจะต่างกับคนที่เขารวยจริงรวยแต่กาเนิดเขาซื้อเพราะว่าเหมาะสมกับฐานะและชอบสิ่งนั้นจริงคนที่รวยจริงรวยต่อเนื่องมาจากบรรพบุรุษนั้นแม้มีทรัพย์สินมากแค่ไหน ก็จะไม่ใส่ใจเอามาโชว์หรือประคมตัวเองให้รบกรุงรังด้วยทรัพย์สินหากไม่ใช่การออกงานจริงๆหลายเรื่องที่เป็นผลเสียในสังคมตอนนี้ก็เกิดจากระบบการศึกษาที่ยังล้าหลังอยู่นะครับเป็นต้นเหตุของปัญหาหลายอย่างที่หลายครั้งหลายกรณีก็จะแสดงออกตอนโตเป็นปมทางใจที่สะสมไว้ตั้งแต่เด็กซึ่งสิ่งที่เราต้องพัฒนากันอีกมากก็คือเรื่องจิตวิทยาการสอน และสภาพแวดล้อมและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กมากกว่านี้การลงโทษด้วยการทำให้เจ็บหรือทำให้อายนั้นแม้จะบางคนรักกันดีก็ยังต้องเลิกกันเพียงเพราะเจ็บตัวหรือเพราะถูกทำให้อายนบางครั้งไม่ใช่ว่าทนได้แต่แค่อดทนไว้พอได้มีโอกาสเจอคนที่เอาใจเป็นทาให้เขารู้สึกเหนือกว่าความภูมิใจในตัวตนก็กลับมาแน่นอนว่า ยอมเทใจไปให้คนใหม่ได้อย่างง่ายดายและเมื่อได้เทใจไปแล้วก็อาจยากที่จะกลับมารักกันเหมือนเดิมหลายครั้งนะครับที่คนมักตีโพยตีภายเมื่อเจอแฟนนอกใจแต่ไม่เคยสำรวจตัวเองเลยว่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันนั้นตัวเองทำอะไรให้เขามีความสุขได้จริงบ้างของที่ดีจริงไม่มีใครโง่พอที่จะทิ้งไปได้นะครับสาหรับการทาโทษนั้น ยังมีวิธีที่ดีกว่านั้นอีกหลายอย่างเช่นการลงโทษโดยให้ไปทำกิจกรรมบุญหรือกิจกรรมที่เป็นสาธารณกุศลให้ทำความดีทดแทนความดีที่เขาได้ทำนั้นจะส่งให้เกิดความภูมิใจในตนเองซึ่งมีงานทดลองระบุชัดว่าการตีหรือการทำให้อายนั้นสู้การลงโทษด้วยการให้เด็กไปทำความดีไม่ได้เลยก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ